วันนี้เป็นวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช 2,563 เป็นวันครบอีกครั้งหนึ่งในระยะทุกสี่วันที่จะมีการแสดงธรรมให้กับท่านที่สนใจ ได้รับชมได้รับฟังกันเพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่ชีวิตจิตใจที่ยังไม่มีที่พึ่งที่ถาวรจำเป็นจะต้องอาศัยแสงสว่างแห่งธรรม เป็นที่พึ่งเพื่อจะได้นำพาไปสู่ที่สุขที่เจริญที่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงการฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการศึกษาความรู้ ที่มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจเป็นการเตือนสติของจิตใจให้รู้ว่ากำลังดำเนินชีวิตไปในทิศทางไหนอยู่คำสอนของพระพุทธเจ้าในวันนี้จะนำเอาคำเตือน ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราเหมือนมันสอนตนมันเตือนตนอยู่เรื่อยๆด้วยการถามตนเองว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่เพราะว่าการกระทําของเหล่านั้นคือการกระ ท, ทําทางกายวาจาและใจ เป็นเหมือนกับการก้าวไปข้างหน้าของจิตใจ <c oughs> การเก้าวไปข้างหน้าของจิตใจนี้ก็มีอยู่สองทางด้วยกัน <c oughs> ทุกครั้งที่เราทำอะไรทางกายทางวาจาทางใจเรากำลังเดิน ก้าวไปข้างหน้าทางใดทางหนึ่งทางสองทางที่เรากำลังเดินไปนี้ทางที่หนึ่งก็คือทางสู่การเวียนว่ายตายเกิดในตายพกในสังสารวัฏและทางที่สองคือทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดทางสู่มรรคผลนิพพาน นี่คือทางสองทางที่เรากำลังเดินกันไปอยู่ในช่วงของการปฏิบัติใหม่ๆเรายังเดินสับไปสับมาอยู่เพราะกำลังที่จะเดินไปในทางสู่มรรคผลนิพพานสู่การหลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดนี่ยังมีไม่มากยังถูกกระแสของแรงดึงดูดของทางสู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราจึงต้องคอยตรวจสอบด้วยการถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังไป ในทางไหนกันทางของการเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นอย่างไร่าทางของความอยากทั้งสามนี้เองความอยากในรูปเสียงกลิ่นโลดโผฏฐะเรียกว่าการมารสนหาความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากได้ลากยศสรรเสริญและความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าการกระทรมีความอยากเหล่านี้เป็นตัวผลักดันก็จะพาให้เจตน์นเดินอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าเดินไปอีกทางหนึ่ง คือทางของมรรคผลนิพพานทางของมรรคผลนิพพานนี่มีอะไรบ้างทางของมรรคผลนิพพานท่านก็เรียกว่ามรรคนี้เองการกระทาที่เป็นมรรคทางกายทางวาจาและทางใจนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสอนไว้ว่ามีอยู่สามเหมือนกัน คือทางแห่งทานทางแห่งศีลและทางแห่งภาวนานี่เองที่จะพาให้จิตใจค่อยออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือการกระทาสองทางด้วยกันที่จะเป็นผู้ดึงให้ใจ ไปในทางใดทางหนึ่งในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติผู้ที่เคยอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังจะอดไม่ได้ที่จะไหลไปกับทางแห่งการหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆเพราะมันเป็นนิสัยของผู้ที่ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดทำจนเป็นนิ ส, สัยเหมือนกับการถนัดมือซ้ายหรือมือขวาผู้ที่ถนัดมือซ้าย ก็จะใช้มือซ้ายไปเรื่อยๆผู้ที่ถนัดมือขวาก็จะใช้มือขวาไปเรื่อยๆเรยพราะมันเป็นนิ ส, สัยเป็นความสะดวกเป็นความสบายเป็นความง่ายการกระทาสิ่งที่ไม่เป็นนิ ส, สัยหรือขัดต่อนิ ส, สัยจึงเป็นของยากเพราะต้องฝืนต้องบังคับ ต้องมีการหัดใหม่ทำใหม่กันจึงยากที่จะเปลี่ยนนิ ส, สัยกันพวกเราชาวพุทธผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระแสะของมรรผลนิพพานนี่จะถูกนิ ส, สัยเดิมของเราคอยฉุดลากให้เราไปกระทำตามความอยากทั้งสามอยู่เรื่อยๆ ทำตามกามตัญหาความอยากในรูปเสียงกลื่นรถผลิตภัณฑ์ทำตามภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นและทำตามวิภาวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นต่างๆ <c oughs> การกระทำทางมรรคคือทางสู่การหลุดพน้นด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนา เป็นของที่เราไม่ถนัดกันทำมาไม่มากยังไม่เป็นนิสัยเฉะนั้นการที่เราจะดึงใจของเราให้มาในทางของทานศีลภาวนานได้นี้ส่วนหนึ่งก็อาศัยการเตือนตนเองถามตนเองอยู่เรื่อยๆนั่นเอง ดังที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราถามตัวเราว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังไปทําตามความอยากทั้งสามไปหาความสุขจากลาบยศสนรเสริญจากลกเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่หรือว่าเรากําลังไปทําบุญทําทาน ไปรักษาศีลไปบําเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นการคอยตรวจสอบการเดินทางของเราถ้าเราไม่คอยถามตนเองไม่คอยตรวจสอบตนเองเราจะลืม แลวเราก็จะทำตามนิสัยเดิมของเราคือทำตามความอยากต่างๆเพราะว่ามันเป็นความเคยชินมันเป็นการหาความสุขแบบหนึ่งเพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาต่อไปถ้าเราไม่ ถามตนเองไม่เตือนตนเองเราก็จะหลงลืมทางที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เราเดินกันให้ไปกันให้ปฏิบัติกันคือทางของทานศีลภาวนาถ้าเรามีการคอยถามตนเองอยู่เรื่อยๆพอเวลาเราจะไปในทางของการเวียนว่ายตายเกิด เราก็อาจจะมีสติยับยั้งไว้แล้วก็เปลี่ยนทางให้ไปอีกทางหนึ่งเช่นวันนี้เราจาวเงินไปเที่ยวกันไปจองโรงแรมไปจองที่พักไปจองสถานบันเทิงต่างๆพอเราถามตัวเราเองว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ โอ้ยเรากําลังไปทําตามความอยากกันอยู่อยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัทธภะต่างๆซึ่งเป็นการเดินไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันจบวันสิ้นพอเราได้ระลึกได้ถามตนเองเราก็จะได้รู้ว่าอ้อเรากําลังไปผิดทางเสียแล้วเรากําลังาพาเรากําลังเดินไปสู่ กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพอเราลูมปับ๊บเราก็อาจจะพลิกกลับทันทีแล้วก็เปลี่ยนทางว่าแทานที่จะเอาเงินที่เรานี้จะไปเที่ยวกันนี้เราก็เอาเงินนี้ไปทําบุญทําทานกันแทนเราต้องการทําทานอพอทานจะพาให้เราได้ไปสู่ การออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการคอยมันเตือนตนเองถามตนเองอยู่เรื่อยๆควรจะทำจนให้มันติดเป็นนิสัยไปทุกวันพอตื่นขึ้นมาก็เอาคำถามนี้ขึ้นมาตั้งเป็นโจทย์ก่อนเลยวันเวลาผ่านไปอีกวันหนึ่งแล้ว ชีวิตเราสั้นลงไปอีกวันหนึ่งแล้วเวลาที่เราจะเหลืออยู่ในโลกนี้ก็น้อยลงไปอีกวันหนึ่งแล้ววันนี้เราจะไปทำอะไรกันถ้าเราจ ะ, จะไปทําตามความอยากต่างๆอยู่เราก็จะได้พยายามบังคับใจสอนใจว่าอย่าไปเลย ถึงแม้จะเป็นการได้ความสุขแต่มันเป็นความสุขที่จะพาให้เราติดอยู่กับการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆตอนนี้เรายังไม่แก่เรายังไม่เจ็บยังไม่ตายแต่ไม่นะไม่นานต่อไปข้างหน้าเราก็จะเข้าหาความแก่ความเจ็บความตายกันแล้วเวลานั้นความทุกข์ต่างๆ มันก็จะเริ่มโหมเข้ามาใส่ตัวเรานี่เป็นผลจากการที่เราทำตามความอยากต่างๆเพราะว่าการทำตามความอยากต่างๆนี้จำเป็นจะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองเราจะตายไปกี่ครั้งก็ตามเสียร่างกายที่เรามีอยู่นี้ไปกี่ครั้งก็ตาม เราก็ยังจะต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่ต่อไปเพราะความอยากของใจที่อยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้มันยังมีอยู่ในใจยังไม่ได้รับการกาจัดมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆ และทุกครั้งที่เราได้ร่างกายนใหม่มาร่างกายนี้มันก็จะต้องเป็นไปตามสภาพของมันมันก็ต้องไปสู่ขั้นตอนของมันมันก็จะไปสู่ขั้นเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายกันมันก็จะเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นไป ตราบใดที่เราทำตามความอยากอยู่เรื่อยๆความอยากนี้จะไม่มีวันหมดจากใจของเราไปได้ความอยากจะหมดไปจากใจได้ก็ต่อเมื่อเราฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากเท่านั้นเช่นเมื่อกี้ยกตัวอยา่างเราอยากไปเที่ยวกันเรามีเงิน เราอยากจะใช้เงินนี้ไปหาความสุขกันเราก็ไปจองที่พักกันไปหาสถานที่ที่จะทำให้เรามีความสุขกันแต่พอเราได้มีการถามตนเองอยู่เรื่อยๆเราก็จะถามเราก็จะรู้ว่าเรากำลังไปในทาง ของการเวียนว่ า, ายตายเกิดถ้าเราไม่อยากจะไปเจอความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องฝืนความอยากอันนี้ฝืนความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภาชนิดต่างๆที่เรียกว่ากามักตัณหาโดยการไม่กระทำตามโดยการเปลี่ยนวิธีใช้เงิน ถ้ามีเงินอยากจะใช้เงินเพื่อให้เกิดความสุขกับใจเราก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งวิธีของการทำบุญทำทานนี่เองเวลาทำบุญทาทานเราก็ได้ความสุขใจเหมือนกับเวลาที <net> though, course, ่เราได้ไปเที่ยวกันแต่ผลต่างกันตรงที่การไปเที่ยวนี้มันจะทำให้เราติด เพราะความอยากมันจะกลับคืนมาอีกกลับมาชวนให้เราไปเที่ยวอีกแล้วถ้าวันใดเวลาใดที่เราไม่สามารถไปเที่ยวไปทำตามความอยากได้เวลานั้นความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นมาภายในใจของเราส่วนในทางการทำบุญทำทานเพื่อได้ความสุขนี้ จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นการได้ความสุขแบบไม่ติดถ้าคราวหน้าอยากจะทำบุญทาทานแต่ไม่มีเงินทำบุญทาทานมันก็จะไม่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ความอยากเสพรูปเสียงกิจลดผลพัฒนาด้วยการไปเที่ยวนี้ ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับถ้าเราฝืนไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปเที่ยวกันเราก็เอาเงินไปทำบุญกันแทนได้ความสุขเหมือนกันและความสุขที่ดีกว่าความสุขจากการทำบุญนี้มีความอิ่มใจสุขใจส่วนความสุขที่ได้จากการเที่ยว น, นี้จะมีแต่ความหิวความอยากตามมาใหมา่หิวเรื่อยๆ แล้วถ้าไม่ได้ทาตามความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาส่วนความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานทำแล้วใจก็จะอิ่มเอิมีความสุขจะไม่หิวไม่อยากกับการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เวลาไม่มีเงินทองก็ไม่เดือดร้อนความอยากทำบุญมันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจ ความอยากไปเที่ยวก็ไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะความอยากไปเที่ยวถูกสัตว์กำลังลงนี่คือขั้นตอนแรกของการปฏิบัติเพื่อให้จิตใจนี้ได้หลุดออกจากการเดินไปในทิศทางของการเวียนว่ายตายเกิด ต้องเปลี่ยนวิธีใช้เงินเพื่อให้เกิดความสุขกับเราอย่าใช้เงินเพื่อทำตามความอยากต่างๆถึงแม้จะได้ความสุขก็เป็นความสุขที่มีพิษมีภั ย, ม, ภยมีทุกข์มีความหิวมีความอยากเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆให้ใช้เงินไปกับการทาบุญทาทานแล้วจะทาให ความสุขใจอิ่มใจปรากฏขึ้นมาและความหิวความอยากที่จะไปเที่ยวไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับจนหมดเลยก็ได้ถ้าทุกครั้งที่เราคิดจะเอาเงินไปเที่ยวกันไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกมนือกายกัน เราเอามาซื้อบุญกันซื้อบุญที่เกิดจากการทำบุญทำทานกันแล้วใจของเราก็จะเย็นจะสุขจะสบายใจอิ่มแล้วก็จะทำให้ <c oughs> เราสามารถที่จะก้าวไปสู่การปฏิบัติขั้นที่ยากขึ้นไปต่อไปได้คือขั้นของการรักษาศีล และการภาวนาตามลำดับต่อไปเพราะว่าผู้ที่ทำบุญทำทานนี้จะมีใจที่มีความเมตตานั่นเองเวลาเราทำบุญทำทานเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากให้มีผู้อื่นมีความสุขอยากให้ผู้อื่นนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ก็จะทำให้ใจนี้มีความเมตตาไม่ไม่เบียดเบียนไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็จะทำให้การรักษาศีลนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายการรักษาศีลก็คือการแผ่เมตตานี้เองเอาการรักษาศีลก็คือการไม่เบียดเบียนกัน ไม่ฆ่ากันไม่รักทรัพย์ของกันละกันไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดและไม่เสพอบายามุขต่างๆเช่นสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวเตรเกียดท้าและคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรจะทำให้ การละเว้นการกระทำเหล่านี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายเพราะในใจนี้ไม่มีความคิดที่อยากจะเบียดเบียนใครไม่มีความคิดที่อยากจะหาความสุขจากอบายมุขต่างๆเพราะได้รับความสุขจากการทำบุญทาทานมานั่นเองก็จะทำให้การรักษาศีลนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดาย เราเรียกว่าเป็นแบบอัตโนมัติเลยก็ได้เป็นอนินสงส์ที่เกิดจากการทำบุญทำทานการทำบุญทำทานก็ต้องทำด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อื่นถึงจะเรียกว่าเป็นการทำบุญทำทานที่ถูกวิธีถ้าไปทำบุญทำทานเพื่อหวังให้เราร่ารวยขึ้น ให้เราสวยขึ้นหล่อขึ้นให้เราดีขึ้นอะไรทำนองนีอ้อันนี้มันก็อาจจะไม่ทําให้เกิดความเมตตาขึ้นมาก็ได้เพราะเราไปมุ่งประโยชน์ที่ตัวเราเองอยากให้เรารวยกว่าเก่าใหญ่กว่าเก่าจเจริญกว่าเก่าแสบเจริญไปในทางที่ไม่ถูกเขาจเจริญไปในทางลาบยศสรรเสริญ อันนี้ถ้าทำอย่างนี้ก็อาจจะไม่มีความเมตตาก็ได้อาจจะทำให้การรักษาศีนี้อย่างเป็นไปได้ยากอยู่เพราะว่าไม่ได้ทำบุญทาทานแบบที่ถูกที่จะพาให้เราได้ก้าวออกจากการเวียนว่ายตายเกิด เพราะถ้าทำบุญเพื่อให้เราได้ราบยศเสรเสรก็เท่ากับทําบุญแบบไปเที่ยวนี่เองคือเอาเงินมาทําบุญมาซื้อศีลบุญจากพระจากวัดขอให้กิจการก้าวหน้ารุ่งเรืองถ้าเป็นคนมียศมีตำแหน่งก็ขอให้มียศมีตำแหน่งสูงขึ้นอันนี้มันก็เหมือนกับเหมือนกับการเอาเงินไป ตอบสนองทำตามความอยากนั่นเองทำตามกิเลสตัณหาเหตุการการทำบุญทำทานต้องสังเกตดอว่าเราทำบุญเพื่อสนับสนุนความอยากคือกรารมตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาหรือไม่ถ้าเราทำน่เรียกว่าทำบุญไม่ถูกวิธีอา น, นิสงส์จะไม่เกิดเท่าที่ควร อาจจะได้อา น, นิสงส์บางอย่างจากการทําบุญทําทานอยู่แต่จะไม่ได้อา น, นิสงส์ที่ควรจะได้คือความเมตตาเพื่อที่จะได้ยกระดับจิตยกระดับของการปฏิบัติให้สูงขึ้นอันนี้เป็น สิ่งที่บางท่านอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่รู้ความหมายของการทาบุญทำทานบางทีก็ชอบมาทำบุญทำทานช่วงวันเกิดกัน อ, อยากจะให้ชีวิตนุ่งเนืองขึ้นหให้ร่ำรวยขึ้นให้หแขวงาดปลอดภัยจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆอันนี้มันเป็นการทาบุญตามความอยากล้วนๆเลย วิภาวะตันหาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายภาวะตันหาความอยากเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานกามะตันหาความอยากภาวะตันหาความอยากเจริญในลาบยศสรรเสริญเนี่เป็นการกระทําบุญที่ไม่ได้ กำจัดความอยากต่างๆที่มีในใจให้น้อยลงไปแต่กลับเป็นการเสริมความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นความอยากเพิ่มมากขึ้นการเวียนว่ายตายเกิดในไปในไตพบก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปแต่ถ้าทําบุญทําทานเพื่อลดความอยากต่างๆให้น้อยลงไปอันนี้ก็จะเป็นการลด ภพชาติให้มีน้อยลงไปตามลําดับนะแต่ยังไม่สามารถที่จะกําจัดภพชาติให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการทําบุญทําทานเพียงอย่างเดียวเป็นถ้าเป็นการตัดต้นไม้ก็เพียงแต่ตัดกิ่งตัดใบของต้นไม้แต่ลาต้นกับรากเง่าของต้นไม้นี้ยังยังมีอยู่ต้อง ตัดต่อไปอัานตอนของการตัดต่อไปก็คือต้องการศีลและการภาวนานะมาเป็นเครื่องมือเบื้องต้นก็จะได้ศีลห้าก่อนศีลห้านี้จะมามากับการที่เราได้ทำบุญทำทานด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อื่นทำบุญทำทานเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่น บางท่านขับรถไปหาคนยากลำบากตามข้างถนนเห็นเขาเดินตากแดดก็แวะถามเขาว่าเป็นยังไงไปไหนมาไหนก็ได้ฟังถึงเรื่องความทุกข์ยากลำบากต่างๆก็รีบควักกระเป๋าควักเงินออกมาแจกทันทีนี่แหละคือทาบุญแบบนี้เรียกว่าทาบุญด้วยความปรารถนาดี โดยที่ตัวเองนี้ไม่ได้หวังอะไรจากการทําบุญนี้เลยไม่ได้หวังว่าทําแล้วจะทําให้กิจการรุ่งเรืองขึ้นไม่ได้หวังว่าทําแล้วอร่างกายจะอมีอายุยืนยาวนานขึ้นแข้วแาร่ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆานี่แหละคือวิธีทําบุญคือทําด้วยความเมตตากรุณา ให้ผู้อื่นเขามีความสุขให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ถึงแม้ไม่หลุดหมดก็ให้บรรเทาให้น้อยลงไปแล้วจะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วจะเกิดมีศีลขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัติจะไม่คิดฆ่าผู้อื่นไม่คิดลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่คิดที่จะประพฤติผิดประเวณีไม่คิดที่จะไปโกหกหลอกลวงผู้อื่น ไม่คิดที่จะไปหาความสุขจากกอบายามุขต่างๆเช่นสุรายามาเป็นต้นอันนี้สีมันก็จะตามมาโดยอัตโนมัติถ้าทำบุญทำทานด้วยควา ม, มเมตตาการุณาเ <c oughs> มือ่อมีสีหน้าแล้วถ้าอยากที่จะกําจัดความอยากที่ที่ีท่ยังไม่หมดจากการทำบุญทำทานก็ต้องอาศัย การภาวนาเหมือมมนกับตัดต้นไม้ถ้าตัดเก่งไม้ตัดใบไม้แล้ว ม, มันก็ยังงอกขึ้นมาได้อยู่ความอยากมันก็ยังโผล่ขึ้นมาได้อถ้าอยากจะให้มันหายไปหมดในขั้นต่อไปก็ต้องตัดลำต้นเสร็จจากการตัดลำต้นก็ต้องถอนรากถอนโคนของต้นไม้ออกมา การที่จะมาตั ด, ต, ดต้นถอนรากถอนโคนของความอยากให้หมดไปจากใจได้ต้องราศัยการภาวนาภาวนาคือสองระดับสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาและการจะภาวนาได้จำเป็นที่จะต้องเพิ่มศีล จากศีลห้าขึ้นไปเป็นศีลแปดเพราะศีลห้านี้ยังไม่มีกำลังพอที่จะห้ามความอยากต่างๆได้ีดเท่ากับศีลแปศีลแปดนี้จะตัดความอยากหรือห้ามความอยากเพิ่มได้มากขึ้น สี่ห้าเพลงแต่ห้ามไม่ไปให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นเวลามีความอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรก็อย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนแต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้มาเบียดเบียนตนเองอะไรเปงสิ่งที่เบียดเบียนตัวเราอันนี้ ได้ยินเสียงไหมได้รั้ทางบ้านได้ยินเสียงก่ะได้เนาะถ้าได้ก็จะพูดต่อไปยังพอได้ยินอยู่เดี๋ยวพักก่อนดีกว่อนนะขอพักเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งสมาธิกันไปก่อนเนาะอ่ า, อาอ น, นี้ถูกฝนบังคับให้นั่งสมาธิกันเดี๋ยวไม่นานอะ่ะฝนที่นี่ตก 10นาทีานาทีการปฏิบัติเพื่อให้ออกจากของทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็เริ่มด้วยการทำบุญทำทานอพอเราทำบุญทำทานได้เราก็จะมีศีลห้าขึ้นมาจะรักษาศีลห้าได้ พอเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะมีกำลังที่จะรักษาศีลแปดต่อไปได้ mm hmm. เพราะเราต้องใช้ศีลแปดเป็นผู้สนับสนุนในการปฏิบัติจิตภาวนาทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา mm hmm. เพราะศีลห้านี้ไม่สามารถกาจัดนิวร์คือกามฉันทะ ตัวที่คอยดึงใจให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผธภพชนิดต่างๆได้แต่พอมาถือสินแปดสินแปดนี้ก็จะห้ามห้ามไม่ให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดภพเช่นสินข้อสามของสินห้าก็จะเปลี่ยนมาเป็นอรรมจริยา เปลี่ยนจากการเล่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้มาไม่ให้เล่วมหลับนอนกับใครเลยให้นอนคนเดียวเพื่อเป็นการตัดนิวรนคือการมาันทะความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพระจากการเลื่วมหลับนอนกันนั่นเองนี้เราก็จะช่วยตัดนิวร์ ถ้าตัดไม่วาไม่ได้จะปฏิบัติภาวนาไม่ได้ใจมันจะคิดแต่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็เลยต้องมาถือศีลแปดกันการถือศีลแปกก็อาจจะหัดทำจากเล็กจากน้อยไปหามากก่อนโดยธรรมเนียมท่านก็สอนว่าวันธรรมดาถือศีลห้ากัน วันพระก็มาถือศีลแปดกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อนอ ม, มาทดลองมาฝึกดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะถ้าจะให้ทำแบบทุกวันเลยก็ยังไม่มีกำลังพอเพราะอะไรต้องอาศัยวันพระเนี่ยหรือวันที่เรามีเวลาว่างจากภา ร, รกิจการงานต่างๆเช่นบางทีเราจะมีวันหยุดสามวันห้าวัน เราก็อาจจะว่าไปฝึกรักษาศีลแปดกันดีกว่าไปอยู่วัดกันไปหัดภาวนากันดีกว่า yeah. Yeah. อันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการตัดความอยากตัวที่คอยดึงใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้มันน้อยลงไปหรือให้มันอ่อนกำลังลงไปโ yeah. okay. ดยการรักษาศีลแปดและ บนเพ็นจิตถภาวนาการภาวนาขั้นต้นก็คือสมถภาวนาฝอนทำจิตให้สงบก่อนแล้วค่อยไปวิปัสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาดต่อไปอในเบื้องต้นก็อาศัยการรักษาศีลแปดเพื่อจะได้ตัดกามฉันทะความอยากเสพโรปเสียงกิตรสชนิดต่างๆ โดยวิธีการต่างๆสิงห์ก็หกก็ห้ า, า 96, 99, ไม่ให้เสพร่วงเสียงกลิ่นรสของอาหารให้รับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเหมือนกับการรับประทานยา เ, เ, เวลารับประทานยานี้เราไม่สนใจรสชาติของยา เ, เ, เราไม่สนใจรูปลักษณะของยา เราต้องการเอายาเข้าไปในร่างกายเพื่อบรรเทาอาการเจ็บไา้ได้ป่วยของร่างกายนั้นใดการรับประทานอาหารแบบรับประทานยาก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่สนใจอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เราก็เรก็ไม่สนใจว่ารับประทานแล้วจะชอบหรือไม่ชอบเวลาเรารับประทานยาเราก็ไม่ได้รับประทานเพราะเราชอบหรือไม่ชอบ การรับประทานเพราะเราต้องรับประทาน <Yeah. S 2> การรับประทานอาหารของนักปฏิบัติเพื่อตัดการม้าฉันทะก็ต้องเป็นแบบนั้นไม่ได้รับประทานเพราะความชอบ <Yeah. S 2> ไม่ได้รับประทานเพราะอยากจะได้ความสุขจากการรับประทานอาหาร <Yeah. S 2> แต่รับประทานหารแบบเป็นยารักษาโรคของร่างกายโรคของร่างกายตอนนั้นคืออะไรก็คือความหิวนี่เอง ความหิวนี่ก็เป็นโรคอย่างหนึ่ง <Yeah. S 2> เป็นเวเป็นทุกขเวทนา <Yeah. S 2> นเวลาเป็นไข้ก็มีทุกขเวทนา <Yeah. S 2> ก็ต้องกินยาลดไข้ mm. ยาลดแก้ปวด <Yeah. S 2> เวลาหิวร่างกายเกิดความทุกขเวทนาจากความหิวจากการขาดอาหาร <Yeah. S 2> ก็ต้องเติมอาหารให้กับร่างกาย <Yeah. S 2> อาหารนี้ก็ไม่ต้องไปเลือกเฟ้นมากเกินไป yeah. ให้หากใช้ความสันโดษมากน้อยเป็นการเลีงดูเหมือนกับกินยาหมอเขาจัดยาอะไรมาให้ก็กินไปตามที่หมอสั่งอาหารที่จะมากำจัดความหิวก็อะไรก็ได้ที่กินแล้วทำให้ท้องอิ่มทำให้ความหิวหายไปและไม่ทํ้ทำให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ก็ถือว่าใช้ได้อย่าไปเลือกเคล้นว่าโอ้ยต้องกินอาหารชนิดนั้นต้องกินอาหารชนิดนี้เพราะนี่มันเป็นการส่งเสริมกามัฉันทะส่งเสริมการมัตัญหาความอยากในลรื่งเสียงจินลดต่างๆของอาหารนั่นเองเห็นผู้ปฏิบัติเน้ก็จะต้องพยายามเสริมความอยากอยากกินอะไรก็อยากไปกินมัน เมื่อกินในสิ่งที่ไม่อยากกินออยากกินอะ น, นี่ก็ต้องดับสันดาลเหมืนไม่กินไม่กินที่มันไม่อยากกินอโดยใช้เหตุผลว่าเป็นยาเหมือนกันเป็นยาถ้ากินด้วยความอยากมันก็จะติดแล้วมันก็จะทําให้กิดกามันฉันทะอยู่เรื่อยๆจะทําให้ไม่มีกระจิกกระใจที่จะไปภาวนาอ จะมัวนั่งคิดแต่เรื่องอาหารกินมื้อนี้แล้วเดี๋ยวก็คิดถึงอาหารมื้อต่อไปและบางทีก่อนจะถึงมื้อต่อไปก็คิดถึงของว่างระหว่างมื้อก่อนเดี๋ยวก็ต้องมีอะไรมาขดเคี้ยวมาดื่มก่อนใจก็จะไม่มีวันที่จะไปภาวนาได้กอะไรต้องพยายามถือศีล แต่จะให้ได้สิงแต่ก็เรื่งรับประทานอาหารนี้ก็มีอยู่สองระดับรับประทานสองมื้อเช้ากับเที่ยงวันเลยอีกระดับหนึ่งก็รับประทานมื้อเดียวก็ถ้ารับประทานมื้อเดียวได้ก็จะตัดปัญหาเรื่องของการรับประทานให้ลดลงไปครึ่งหนึ่งลดเวลาที่จะต้องมากินอาหารสองครั้ง กินมันครั้งเดียวไปเลยจะทำให้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของอาหารต่อไปและจะเพิ่มเวลาของการปฏิบัติให้ได้มากขึ้นถ้ากินสองมือ่อกินนื้อชาเราก็ยังไม่มีปจิตกิจใจที่จะไปปฏิบัติเพราะจะมากังวลกับเมื่อเที่ยงก่อนพอผ่านนื้อเที่ยงแล้วเท่านั้นเนี่ยถึงจะ ไม่มีความกังวลกับเรื่องการรับประทานถึงจะไปภาวนาได้แต่ถ้ารับประทานไม่เดียวมื้อเช้าเนี่ยหนึ่งเดียวรับประทานแล้วมันเสร็จไปเลยพอเสร็จแล้วทีนี้ก็จะไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารต่อไปก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เลยหลังจากที่เสร็จจากการรับประทานอาหารมื้อเช้า ก็จะเพิ่มเวลาของการปฏิบัติให้มีมากขึ้นเพิ่มเวลาของการภาวนาให้มีมากขึ้น<ม>ก็จะทำให้มีผลงานมากขึ้น<ม>ผลงานเกิดจากการกระทำะเกิดจากการปฏิบัติ<ม>เหตุเกิดจากผลเกิดจากเหตุเหตุคือการปฏิบัติผลคือความ ดับของกิเลสต่างๆของความอยากต่างๆ ต, ต่อจากการปฏิบัติปฏิบัติมากผลก็จะเกิดมากปฏิบัติน้อยผลก็จะเกิดน้อยถ้าเกิดน้อยก็ต้องใช้เวลามากถ้าเกิดมากก็ใช้เวลาน้อยที่เราก็ต้องมาคำนึงถึงเวลาของชีวิตของเราว่าเราเหลือกี่วันในนอกนี้ ทียงอยู่ในโลกนี้ก็ไม่มีใครสามารถไปคํานวณได้หรือแม้จะไปกำํำหนดว่าจะอยู่ถึง80ปีก็ไม่มีใครรับประกันว่าจะอยู่ถึง80ปีได้อาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้ประมาทในเรื่องของเวลาการใช้นี่ใช้เวลาที่มีอยู่นี้ให้เกิดประโยชน์ อย่างสูงสุดดีกว่าให้ถือว่าเวลานี้เป็นของที่ไม่แน่นอน่าจะหม ด, ดได้เมื่อไหรไม่มีใครรู้งั<ม>้นตอนนี้มีเวลามากน้อยเท่าไหร่รีดทุ่มเทให้กับการภาวนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะดีกว่า<ม>อั น, นี้ <c oughs> เวลาต้องพยายามเอาดึงเวลา ที่เราไปใช้กับกิจกรรมอย่างอื่นมาใช้กับการภาวนาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ อ, อย่าให้ความอยากดึงให้เราไปเสียเวลากับการรับประทานอาหารอสองอมื้อลองตัดลองเหลือมือเดียวผู้ปฏิบัติบางคนนี่พอจิตละเมีพลังแล้วนี่บางทีอาจจะกินวันเว้นวันก็มี เพราะวันนี้ขี้เกียจกินกินแล้วเสียเวลากินแล้วเวลากินเสร็จก็ง่วงนอนอขี้เกียจแต่วันไหนไม่กินแล้วรู้สึกว่าไม่ง่วงไม่ใครไม่ง่วงแล้วว่าขยันอแล้วก็ไม่เสียเวลาสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเลยสำหรับผู้ที่ถูกกับการโอดอาหารนี่ท่านมักจะใช้การโอดอาหารเป็น เป็นเหมือนเทอร์โบเทอร์โบที่จ ะ, ะ, ะดับผักดันให้การปฏิบัตินี้กปฏิบัติเพิ่มได้มากขึ้นเพราะเวลาออาหารนี้มันอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะมานั่งมานอนไม่ได้มันจะต้องภาวนาอย่างเดียวเพราะเวลาอดอาหารความหิวมันจะลบเล้าใจอยู่เรื่อย ความหิวทั้งทางกายและทางใจมันจะมาคอยสร้างเวทนาทุกขเวทนาให้กับใจถ้าไม่ภาวนานี้เดี๋ยวจะทนไม่ไหวเดีย๋ยวจะต้องไปต้องไปรับประทานอาหารต้อไม่หาอะไรมารับประทานป็นเด็กแต่ถ้าภาวนาแล้วจะตัดจะลดความหิวทางใจได้หมดเลย ความหิวทางใจที่เกิดจากความอยากรับประทานอยากจะเดืออะไรต่างๆนี้พอทำใจให้สงบได้ความหิวความอยากจะหยุดชั่วคราวแล้วความอิ่นความสุขใจก็จะปรากฏขึ้นมาทำให้ความหิวของร่างกายนี้ไม่เป็นสิ่งที่ที่เบื่อร้อนใจใจสามารถอยู่ กับความหิวของร่างกายได้เพราะความอิ่มของใจนี้มีอํานาจเหนือกว่าความหิวของของร่างกายนั่นเองผู้ปฏิบัติด้วยการอดอาหารนี้ก็จะเหคุณค่าของการอดอาหารเพราะจะทำให้ภาวนาได้มากขึ้นทำจิตใจให้สงบได้นานขึ้นทำให้จิตใจ มีพลังที่จะต่อสู้กับความอยากได้มากขึ้นนั่นเองอันนี้แหละเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการถือศีลข้อหกคือการนับประทานอาหารพอประมาณสำหรับผู้เพิ่งเกเริ่มฝึกหัดก็เอาสองมื้อไปก่อนมื้อเช้าแล้วก็มื้อกลางวันต่อไปพอได้ภาวนาพอได้รับความสงบบ้างแล้ว ก็อยากจะลองมือเดียวดูบ้างสองมือเดียวดูแล้วพอเห็นว่ารัาประทานมือเดียวทำให้มีเวลาปฏิบัติได้มากขึ้นทำให้จิตใจมีความสงบมากขึ้นก็อยากบางทีอยากจะลองอดอาหารขึ้นมาบางทีก็อยากจะลองทีละสามวันบ้าง5้าวันบ้างการอดอาหารนี้ก็อาจจะมีการบันเทา บ้างด้วยน้ำปาน ะ, ะเดือมน้ำปานะได้เช่นตอนบ่ายรู้สึกร่างกายหิวโหยก็อาจจะช่วยได้การเดืมอมน้ำพึ่งบ้างน้ำตาลบ้างเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลต่างๆเดื่มได้น้ำชากาแฟโกโก้อะไรทํานองนี้ผสมน้ำตาลเดื่มแล้วก็จะทําให้ความหิวโหยทางร่างกายบรรเทาลง ไม่มารบกวนจิตใจมากจนเกินไปจิตใจก็อาศัยการภาวนาคอยตัดคอยลดความหิวไปเรื่อยๆก็จะทําให้การภาวนาการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปเรื่อยๆเพราะมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนั่นเองเพระเวลาอดอาหารนี่เวลาเกิดความหิวนี้ต้องอาศัยการภาวนาเท่านั้น ที่จะช่วยบรรเทาความหิวของทั้งร่างกายและของจิตใจได้ของร่างกายก็อาศัยการดื่มน้ำปานะบ้างดื่มน้ำผลไม้ดื่มน้ำผึ้งบ้างดื่มน้ำอ้อยบ้างอันนี้ก็พอจะช่วยบรรเทาได้แต่หลักสำคัญก็คือจะทำให้กระตุ้นการปฏิบัติเพราะผู้ที่มีความหิวนี่จะอยู่เฉยๆไม่ได้ แล้วก็ไม่มีวิธีอื่นที่จะช่วยจิตใจให้หายหิวหายทุกได้นอกจากการภาวนานเท่านั้น<ม>ผู้ปฏิบัติพอถูกพออดอาหารแล้วก็จะถูกบังคับให้ภาวนาพอได้ภาวนาแล้วจิตก็จะสงบเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น<ม>ความหิวก็จะหายไป<ม>หิวทางร่างกายก็จะยังมีอยู่ แต่ก็ไม่รุนแรงและสามารถบรรเทาได้ด้วยการดื่มน้ําปานะ <Okay. S 1> ดื่มน้ําผลไม้ทานที่ไม่มีกากไม่มีเนื้อเป็นตน้น <Okay. S 1> เลือดเดิมน้ํำพึ่งน้ําอ้อยเนยข้นเนยใส <Okay. S 1> พอที่จะช่วยบรรเทาความหิวของทางร่างกายลงไปได้บ้าง <Okay. S 1> จะทําให้มีการภาวนาได้มาก <Okay. S 1> ไม่ต้องมาเสียเวลา มาคุบขีกับผู้อื่นเพราะเวลาอดอาหารนี้ทางสํานักปฏิบัติท่านจะอสนับสนุนไม่ให้ต้องออกมาทํากิจวัตรร่วมกันกับผู้อื<ม>่นถ้ามีกิจให้ทําเ<ม>ช่นลงทําวัดเช้าเย็นก็ไม่ต้องลงมามถ้าต้องมาปัดกวาดมาช่วยถูทําความสะอาดอะไรต่างๆก็ไม่ต้องลงมามมถ้าอดอาหารแล้วก็ถือว่าอา เป็นผู้ที่ต้องการที่จะฝึกวิเวกผู้ที่จะต้องการขึ้นเวทีต่อสู้กับกิเลสความอยากต่างๆก็จะอนุญาตไม่ต้องออกมาเกี่ยวข้องกับผู้อื่นก็จะลดการคุกทีกับผู้อื่นก็จะลดการที่จะต้องมาพูดมาคุยมาสนทนามาอะไรกันก็จะทำให้ ความคิดปรุงแต่งนี้น้อยลงไปทำให้การควบคุมใจง่ายขึ้นควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ได้ง่ายขึ้นแต่ผู้ปฏิบัติต้องยอมเสียค่าใช้ใจ่ายคือความหิวต้องยอมต้องกล้าก็ต้องไม่กลัวความหิวขอให้คิดว่าไม่ตายพระพุทธเจ้าอดต้องสี่สิบเก้าวันยังไม่ตายเลย เราอดแค่มือเดียวนี่จะตายให้มันรู้ไปกินสองมือก็ลองอดเหนือมือเดียวดูดูที่มันจะตายมั้ยพระพุทธเจ้าอดต้องสี่สิบเก้าวันเนะี่ยดู่างพระพุทธรูปที่้างทรมานกายถ้าจะไม่มีเนื้อเหลืออยู่เลยมีแต่นังหุมกระโหกกระดูกนั่นแหละคือพลังของจิต เวลาจิตมีพลังเวลาจิตสงบนี้มันไม่หิวเหมือนกับเวลาที่มันไม่สงบนะมันก็เลยทำให้อดอาหารได้ mm hmm. เพียงแต่ว่าการอดอาหารนี้ไม่ได้มุ่งไปที่การเอาชนะกิเลสด้วยการอดอาหาร้า mm hmm. ไม่ชนะถ้าเพียงแต่อดอาหารแล้วไม่ภาวนานี้กิเลสมันไม่ตาย mm hmm. ต่อให้อดไปจนตายมันกิเลสมันก็ไม่ตาย พระพุทธเจ้ารู้ทันเพอะรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องตายแล้วถ้าอดต่อไปท่านก็เลยต้องหยุดการอดอาหารพออดมาตั้งสี่สิบเก้าวันแต่กิเลสทําไมมันยังมากเหมือนเดิมอ ช, ช่วงนั้นท่านไม่ได้ภาวนาท่านอดแบบใช้ขันติความอดทนอย่างเดียวหรือถ้าภาวนาก็ภาวนาบ้างแต่ไม่ได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไรอพอท่านมารู้ว่าเออ ความอยากมันไม่ได้ตายกับการไปหดอาหารถึงแม้ว่าจะลดความอยากลงแต่มันก็ไม่หมดมันก็ยังอยากอยู่มันไม่อยากอาหารมันก็ไปอยากกินเรื่องอื่นอีกอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากหาความสุขจากลูกเสียงกิจลดอย่างอื่นอีกมันไม่หมดพระพุทธเจ้าก็เลยต้องมา เปลี่ยนปรับวิธีใหม่หยุดการรับประทานหยุดการอดอาหารแล้วก็มารับประทานอาหารอยู่ระยะหนึ่งจนร่างกายมีกําลังวังชาที่จะมาภาวนาได้ก็เลยทรงใช้วิธีภาวนาแทนทรงพิจารณาแล้วว่าเวลาภาวนาเท่านั้นที่กิเลสความอยากต่างๆมันจะลดน้อยลงไปงแต่วิธีภาวนาที่ทรงรู้นั้นมันยังไม่กําจัดความ อยากความต้องการต่างๆให้หมดไปได้เพราะเป็นขั้นที่หนึ่งของการภาวนาคือสมถภาวนาพราะองค์เลยต้องค้นหาขั้นที่สองคือวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญปัญญาเพราะว่าปัญญานี้จะเป็นตัวที่จะมาทําลายความหลงของจิตที่สร้างความอยากต่างๆขึ้นมาได้นั่นเอง พอมีปัญญาแล้วความหลงก็จะหายไปความหลงหายไปความอยากก็จะหายไปความหลงคืออะไรก็หลงคิดว่าความสุขอยู่กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองแต่พอเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ไม่ได้เป็นความสุขแท้จริงเป็นความสุขชั่วคราวอานิจจัง แล้วก็ต้องมีการเสื่อมมีการหมดไปพอหมดไปความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมามเป็นอนัตตาเป็นความสุขที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ ม, มาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับ<ม>เวลาดับความทุกข์ก็ตามมาเท<ม> น, นพอเห็นแล้วก็จะได้หยุดความอยากเหล่านี้ได้ หยุดหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหยุดหาความสุขมาจากฌานขั้นต่างๆรูปฌปานนามรูปประฌานก็เป็นไตาลักษณ์ทั้งหมดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตาลักณ์หมดก็หยุดความอยากต่างๆได้หยุดกามาตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้พอหยุดได้หมดปั๊บทีนี้ใจก็สงบอย่างเต็มที่ ไม่มีอะไรมาทำให้ใจหิวใจโหยใจอยากอีกต่อไปใจนิ่งสงบอย่างถาวรมีความสุขอย่างถาวรขึ้นมาที่เรียกว่าปรมังสุขขังนี่แหละคือนิพานนั่นเองนิบานนงปรมังสุขขังนิบารนงปรมังศูนอย่างศูนจากกิเลสตัณหาทั้งปวงสูญจากกิเลสตัณห า, า, กกหาโมหะอวิชชา ตัวที่มาคอยสร้างความหิวความอยากความต้องการต่างๆให้กับใจอยู่เรื่อยๆพอพิจารณาด้วยปัญญาด้วยไตรลักษณ์ว่าสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนี้ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ให้อยู่กับใจไปได้ตลอดพอเห็นว่าเป็นทุกข์ก็หยุดอยากพอยความอยากหมดความทุกข์ความ ความทุกข์ก็หายไปหมดพอความทุกข์หายไปหมดความสุขก็โผล่ขึ้นมาแทนที่ทันทีความสุขที่มีอยู่ในใจตลอดเวลาแต่ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้เพราะถูกความทุกข์ที่เกิดจากความอยากคอยคอยกลกปรไว้อยู่เรื่อยน่นอพอความอยากที่ผลิตความทุกข์นี้ถูกทาลายด้วยปัญญาหายไปหมด ความทุกข์ที่มากลบความอยากก็หายไปหมดพอความทุกข์หายไปหมดความสุขที่ถูกความทุกข์กลบไว้ก็โผล่ขึ้นมานี่แหละเป็นความสุขที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงแต่ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นมาได้พอถูกโมหะอวิชากิเลสตัณหามาคอยกรเอาไว้มาสร้างความทุกข์คอยกลบเอาไว้อยู่เรื่อยๆพอพระพุทธเจ้าทรงใช้ปัญญาพิจารณา จนสามารถที่จะทำลายกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดสิ้นไปได้ความทุกข์ที่กบความสุขของใจก็ถูกทำลายไปหมดพ อ, อไม่มีความทุกข์ที่มากบความสุขความสุขก็โผล่ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเพราะเป็นความสุขที่อยู่คู่กับใจมาแต่ดั่งเดิมตลอดเวลาแต่ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้เพราะถูกความทุกข์ ของกิเลสตัณหาคอยกบเอาไว้นั่นเองตอใช้การภาวนาทั้งสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาเท่านั้นเองความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาโมหะวิชาก็ถูกทําลายไปหมดพอหมดแล้วก็เหลือแต่ความสุขที่เป็นความว่างว่างจากกิเลสตัณหาโมหะวิชาอือ เรียกว่านิ บ, บานังประมังสุ ข, ขังนิบานังปรามังสุลอย่างนี้แต่จิตผู้ปฏิบัติไม่ได้ศูนย์ขอให้เข้าใจบางท่านไปแปลความหมายว่านิบานังปรามังสุลอย่างแปลว่าจิตสุลไปพอถึงนิพพานแล้วจิตศูนย์ผู้ปฏิบัติศูนย์แล้วปฏิบัติไปให้มันเหนื่อยทําไมถ้าปฏิบัติไปเพื่อศูนย์เหมือนทําธุรกิจแล้วทำแลให้มันแจ้งนี่ทําไปทําไม สู้ไม่ทําดีกว่าอแล้วพระพุทธเจ้าศูนย์หรือเปล่าก็ไม่ได้ศูนย์พระอาหารหันต์ศูนย์หรือเปล่าก็ไม่ได้ศูนย์พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ต่อไปจิตบริสุทธิ์เป็นนิบบานังปรามังศูญย์อย่างแล้วจิตก็ยังอยู่นถ้ายังมีร่างกายก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือสอนธรรมะต่อไปพอไม่มีร่างกายจิตก็ยังอยู่เหมือนเดิมจิตนี้ไม่มีวันตายอยู่แล้ว จิตมันมีสองแบบจิตของปุถุชนกับจิตของพระอาหารหันต์จิตของปุถุชนก็มีกิเลสตัณหาโมหะวิชาคอยสร้างความทุกข์มากบกอยู่เรื่อยๆส่วนจิตของพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้าก็เป็นจิตที่ไม่มีความทุกข์มากบกก็เลยเหลือแต่ความว่างความสุขนั่นเองนิพพานาังปรมังสุขขังนิพพานาังปรมังสุญญ์นนี้คือทางที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราไปกัน และพวกเราทุกคนก็ต้องการไปกันจะไปได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเราคอยตรวจสอบการกระทำของเราอยู่เรื่อยๆต้องหมันถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังทำตามความอยากเพื่อพาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดหรือเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือทำทานรักษาศีลภาวนา เพื่อพาให้เราไปสู่พระนิพพานกันก็มีทางสองทางนี้แล้วมันจะไปทางไหนก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละเป็นผู้พาไปถ้าเรารู้ทุกเวลานาทีทุกขณะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราก็จะได้คอยปรับการเดินทางของเราให้ไปในทางที่ควรจะไปกันนั่นเองถ้าไม่คอยสังเกตไม่คอยเตือนไม่คอยถาม ความเคยชินมันจะคอยหลอกให้เราพาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนี่คือเรื่องราวของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้จะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาเรวาหาปูราปะเรกุเรนติสาขัง เอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปการปติอิชิตตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉาตุสัพเพบุเรนตุสังกะปาจันโทปนาราโสยธามณีโชติาราโสยธาสัพพิติโยวิวาจจันตุ สัพพะโรโวินาสตุมาเตภวตะวันตรายุสุขีทีคาโยโกภวอะพิวะธนศิริสานิจังวุธาปะจายโนจตารูธรรมวะธานติอายุวันโอสุขังภาลา วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ทาง Facebook 434ย t u b บ181วิทยุออนไลน์10ซูม8รวม633ค่ะซูม Zoom 8เนอโอเค่ะซูม <Okay. S 2> 8ก็จะตอบปัญหาต่อไปถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากคุณปอนปภัช ลูกมีข้อสงสัยว่าการที่เราเห็นข้อความธรรมะคติธรรมคําสอนดีในโซเชียลเช่น Facebook ไลน์เราได้อ่านแล้วรู้สึกดีจึงแชร์ต่อให้เพื่อนๆในเฟซบุ o กไลน์ได้อ่านด้วยการที่ลูกทําเช่นนี้ถือเป็นสิ่งที่สมควรไหมเจ้าคะคือลูกทำมาเสมอๆความเห็นส่วนตัวรู้สึกดีคิดว่าเป็นการได้เผยแพร่ธรรมะคาสอนของพระพุทธองค์อีกทางหนึ่งเมื่อทําแล้วรู้สึกปิติในจิตแต่มีเพื่อนที่เคยรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็ก ห่างหายกันไป20กว่าปีต่อมาพบกันอีกครั้งขอเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเขาบอกให้เราหยุดแชร์และให้เหตุผลว่าการที่เราแชร์ธรรมะแบบนี้เป็นการดึงพลังลบๆเข้าหาตัวเอง รวมถึงการที่ลูกสวดมนต์บทพาหุงมหากาในบทคาถาพระมหาจั ก, กรพัชสม่ำเสมอเขาก็บอกให้ลูกหยุดสวดบอกว่าจิตลูกไม่นิ่งพอที่จะสวดบทสวดมนต์พวกนี้เจ้าค่ะลูกจึงรู้สึกสับสนว่าสิ่งไหนที่ถูกต้องสิ่งไหนที่ไม่ถูกเจ้าคะคือการแชรธรรมะก็คือการทำธรรมทานนี่เองการแบ่งปันธรรมะ พระพุทธเจ้าก็ส่งยกย่องสรรเสริญว่าเป็นการให้ที่ชนะการให้ทั้งปวงให้อะไรนี้ไม่ดีเท่ากับการให้ธรรมะเพราะลดแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงนั่นเองเฉะนั้นการแชร์ธรรมะนี้ไม่ไม่เป็นสิ่งที่เสียหายแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าขอให้เรามั่นใจว่าเป็นธรรมธรรมนั้นขอให้เป็นธรรมะอย่าให้เป็นธรรมเมา ราะทุกวันนี้บางทีมันธรรมะบางทีถ้าไม่รู้จริงๆอ่านแล้วอจจะจะไม่รู้ว่าเป็นทำเมาก็ได้ะค่นั้นแต่ถ้าคิดว่าคุณอ่านแล้วคุณได้รับประโยชน์ทำให้จิตใจคุณสงบบรรเทาความทุกข์ใจได้ยละอยากจะให้คนอื่นนำเอาไปใช้ก็แชร์ได้ออไม่เสียหายตรงไหน ส่วนการสวดมนต์นี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายแต่อย่างใดเหมือนกันการสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสติการจอก่อนที่จะมานั่งสมาธิได้นี้ถ้ายังไม่มีสติพอนั่งก็นั่งไม่ได้นั่งก็รู้สึกอึดอัดเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แน่นหน้าอกปวดศีรษะถ้าอย่างนี้ก็ยังนั่งไม่ได้เพราะสติมีกำลังน้อย ก็ต้องอาศัยการสวดมนต์สร้างสติขึ้นมาก่อน ส, สวดก็ต้องให้มีสติจริงๆอย่าสวดไปแล้วก็คิดไปควบคู่กันให้มีแต่เรื่องสวดอย่างเดียวให้จดจ่ออยู่กับการสวดถึงแม้จะมีความคิดแจ้งเข้ามาก็อย่าไปตามคิดอย่าไปคุยกับความคิดให้อยู่กับบทที่เราสวดไป แล้วต่อไปจิตเราจะมีสติมากขึ้นก็จะสามารถปฏิบัตินั่งสมาธิต่อไปได้ยิ่งนั้นเรื่องทั้งสองเรื่องนี้ไม่น่าเป็นเรื่องที่จะเสียหายแต่อย่างใดเนีย คำถามจากคุณมอนสเตอร์ลูกมีเรื่องกังวลใจขอรบกวนเวลาพระอาจารย์คือสมัยลูกยังเป็นวัยรุ่นเคยเรียรายเงินเพื่อนเพื่อนนาไปทําบุญสร้างเมรุปลอดมลพิษที่วัดแห่งหนึ่งเป็นจํานวนไม่มากและจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่หลักร้อยหรือหลักพันแต่พอไปถึงวัดไม่พบกล่องบริจาคและไม่รู้ว่าต้องบริจาคที่ไหนก็เลยไม่ได้ทําและไม่ได้นําไปบอกกล่าวคืนเพื่อนแต่คาดว่าน่าจะนําไปทําบุญอื่นแล้วปัจจุบัน กลับไปหวนคิดถึงคิดว่าเป็นกรรมหนักขอพระอาจารย์เมตตาให้คำแนะนำแก้ไขหรือหลักคิดในเรื่องนี้ค่ะก็ถ้านยังเป็นข้อรังเลยสงสัยอยู่ก็ไปทำให้มันหายเอาเงินที่เราจำนวนที่เราเอามาจากการเลี่ยรลายนี้ไปให้วัดที่เราตั้งใจไว้ต่อไป ถ้าไม่มีวัดแล้ววัดหายไปแล้วก็ไปทำที่วัดอื่นแทนก็ได้อย่าเก็บไว้เป็นสมบัติของเราเองเพราะถือว่ามันไม่ได้เป็นเงินของเราเป็นเงินของผู้อื่นที่เขาบอยจากมาเพื่อทำบุญเราเป็นเหมือนสะพานบุญเท่านั้นเองถ้าเราทําแล้วเราความไม่สบายใจต่างๆก็น่าจะหายไปได้คำถามจากคุณเบลพานุพงษ์ การทําบุญตามประเพณีไทยโดยหวังผลความเป็นมงคลความสุขความเจริญในชีวิตถือเป็นการสะสมพบชาติใหมครับเป็นสิเพราะเราต้องการความสุขจากชีวิตนี้พอชีวิตนี้หมดเราก็จะไปต่อไปหาความไปหาชีวิตใหม่ต่อไปเพราะเรายังอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยู่อยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่ นันการทําบุญแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทําบุญที่ถูกต้องนการทําบุญที่ถูกต้องนี้ต้องทําเพื่อหนึ่งประโยชน์ของผู้รับให้ผู้รับนี้เขาได้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนหรือให้เขามีความสุข เราไม่ต้องการอะไรนอกจากความเมตตาที่จะเกิดขึ้นมาภายในจิตในใจและความอิ่มใจสุขใจที่เป็นมงคลตัวจริงอยู่แล้วมงคลตัวจริงคือความสุขใจอิ่มใจมงคลปลอมก็คือการเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขนะคนเราไปเข้าใจความมุบคำว่ามงคลผิดไป การทำบุญเพื่อความเป็นศิลิมงคลนี่หมายถึงศิลิมงคลแก่จิตใจให้จิตใจสูงขึ้นเพราะผู้ที่ทำบุญนี้จะสูงจากมนุษย์ไปเป็นเทพเนีเป็นมงคลอย่างนี้ไม่ใช่ใเจริญทางด้านร่างกายทางด้านลาบยศสรรเสริญอีกคำถามค่ะคือเป็นครูเป็นนักดนตรีไทยสอนดนตรีกับนักเรียนได้รับงานบรรเลงในงานพิธีต่างๆเป็นการสร้างกิเลสสร้างบาปไหมครับ ไหนถามใหม่ดิเป็นครูค่ะเป็นครูสอนดนตรีไทยรับงานบรรเลงค่ะเป็นการสร้างกิเลสไหมคะก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกอ่ะถ้าเรายังอยู่ในโลกนี้โลกเขาก็ยังอยู่กับกิเลสก็ยังหาความสุขกับกิเลสอยู่หาความสุขจากการฟังเพลงอยู่เราเพียงทําอาชีพมันก็เป็นการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเรามันก็ มันก็เป็นกิเลสเนะั้นถ้าไม่อยากจะไม่อยากจะให้มันเป็นกิเลสก็อย่าไปทำไปทำอาชีพที่ทำไปเป็นพระเป็นแม่ชีอย่างนี้คำถามจากคุณพูลสีงานด้านภาวนาในขั้นตอนการทำวิปัสสนาเราต้องอ่านตำราเป็นความรู้ก่อนไหมคะ ก็ต้องรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรภาวนาสมถะภาวนาก็เป็นรูปแบบหนึ่งวิปัสนาภาวนาก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเราเปรียบเทียบกับความรู้ทางโลกก็เหมือนวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นคนละวิชากันต้องเรียนรู้ศึกษาแต่ละวิชาแล้วจะได้ นำมาวิชาความรู้นี้มาทำให้เกิดผลที่เราต้องการกันคือความสุขความเจริญของจิตใจดังั้นการปฏิบัติก็เหมือนกับทางโลกอ่จะทำอะไรก็ต้องศึกษากันก่อนศึกษาวิธีกาะทำที่ถูกต้องเมื่อรู้จักวิธีที่ถูกต้องแล้วก็นำออกไปปฏิบัติแล้วก็อาจยังต้องกลับมาศึกษาอยู่เรื่อยๆต่อไปเพราะการปฏิบัติก็ยังไม่รู้ว่าปฏิบัติถูกหรือไม่ถูก ก็ต้องกลับมาศึกษาสลับกันไปศึกษาไปปฏิบัติไปจนกว่ามันจะเข้าใจจนยาจะรู้จริงว่าออวิธีนี้ถูกวิธีนี้ไม่ถูกเพราะเวลาปฏิบัติเราอาจจะปฏิบัติไม่ถูกตามที่เราศึกษามาก็ได้เราก็ต้องกลับไปทบทวนสิ่งที่เราศึกษาดูเอ้เราทาตามที่เราศึกษามาหรือเปล่าถ้าไม่ถูกก็ปรับใหม่ทาไป คำถามจากคุณสุภาชัยพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ตามวัดต่างๆบอกว่าบรรจุไว้มีจริงหรือไม่ประการใดครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าของจริงหรือไม่ครับท่านตาซีเราจะรู้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็ตายมาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วแล้วร่างกายของพระพุทธเจ้าก็มีจํานวน กระดูกก็มีจํานวนจํากัดถ้าช่างกิโลก็มีกี่กิโลแต่สมัยนี้ทําไมมันกระจายไปเยอะไปหมดไปทุกวัดทุกแห่งทุกขนมีพระธาตุเต็มไปหมดนี่เท่าที่ได้ยินได้ฟังมาก็คือมีการเสด็จมาโดยอนุภาพของพุทธานุภาพคือไม่ได้มาจากกระดูกของพระพุทธเจ้าที่ตายไปแต่มาจากที่ไหนก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีๆก็ ผลขึ้นมาขายพระคนบางคนไปนั่งสมาธิที่ไหนปุ๊บเดี๋ยวก็เห็นก้อนพระธาตุโผล่ขึ้นม า, าก็เเรียกว่าเป็นพระธาตุกันขึ้นม า, อ, าอันนี้สายความเป็นจริงแล้วพระธาตุจริงๆก็คือนี่หละคืออัฐิของพระพุทธเจ้าบางส่วนก็ไม่ใช่ทุกชิ้นทุกส่วนไม่ใช่กระดูกทุกชิ้นทุกส่วนที่หลังจากชาปนากิจแล้วจะกลายเป็นาธาตุไปหมด ก็มีบางชิ้นบางอันกลายเป็นธาตุคือกลายเป็นเหมือนก้อนหินเนี่ยก้อนหินมีรูปร่างลักษณะต่างๆมีสีต่างๆสีเขียวสีขาวสีแดงมีกลมบ้างมีแบนบ้างมีเรียวบ้างอะไรต่างๆอันนี้คือพระธาตุที่ที่ได้มาจากอัฐิของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระหลานตสาวก็ดี ส่วนพระธาตุอย่างอื่นที่บางทีคนออกมาให้ดูไม่เหมือนเหมือนเป็นเหมือนเพชรพลอยเป็นเพชรนินจินดาอะไรเม็ดเล็กๆ ก, ก, ก, ก็ไม่รู้ว่าเขาบอกเป็นธาตุเราก็ไม่อยากที่จะไปเถียงกับเขาานีว่าเขา เ, เขาเชื่อก็ไม่อยากจะลบหลู่แล้วก็จะมีหรือไม่มีพระธาตุมันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราแต่อย่างใดไม่ใช่ว่าพอมีพระธาตุแล้วใจเราจะบรรลุเป็นพระอริยขึ้นมามันก็ไม่เป็น มีพระธาตุหรือไม่มีพระธาตุมันไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้เท่านั้นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงนะนี่เป็นพระธาตุยืนยันคือมาจากพระพุทธเจ้าหรือมาจากพระอริยสงสารเท่านั้นเองคำถามจากคุณธีรชาัตร ทำไมในมงคลสูตรสามสิบแปดจึงไม่มีวัตถุมงคลครับหรือว่าวัตถุมงคลไม่มีจริงครับก็ไม่แน่ใเลยก็มันวัดมงคลสูตรก็บอกอยู่แล้วว่าไม่มีวัตถุในมงคลละสามสิบแปดเพราะเราชอบต่อต่อเติมเพราะเราชอบของง่ายไงเพราะสามสิบแปดข้อนี้มันยากแต่ข้อสามสิบเก้านี่มันง่าย จ่ายเงินร้อยสองร้อยก็ได้วัตถุมงคลมาบูชาแล้วคำถามจากคุณวริศคนดีมันคือสิ่งที่คนสมมุติขึ้นมาในสังคมนั้นถือว่าเป็นคนดีถ้าไม่ใช่คนดีคือคนไม่ดีหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงขอรับ อ, อ๋อคำว่าคนดีนี่เขามีนิยามเขามีความหมายของความหมายของคำว่าดีความดีก็คือ คนที่มีความสุขมีความเจริญในตัวเองเช่นมีความสุขในใจมีความสุขในกายามันก็เป็นของดีเพราะทุกคนต้องการของคือทุกคนต้องการความสุขคนที่มีความสุขความเจริญก็เรียกว่าเป็นคนดีในระดับหนึ่ง แล้วดีมากกว่านั้นก็คือคนที่ทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นทำให้ผู้อื่นได้ได้สุขได้เจริญตามเขาเราก็ยกย่องเขาว่าเป็นคนดีในทางตรงเงินข้ามคนที่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเราก็นิยามว่าเป็นคนไม่ดีเพราะว่าไม่มีใครอยากจะเสียหายเดือดร้อนอไม่มีใครอยากทุกข์ ฉะนนมันก็ดีหรือชั่วดีหรือไม่ดีนี่มันก็ตั้งอยู่ที่คําว่าสุขแล้วไม่สุขนั่นเองการกระทาใดๆที่ทําให้เกิดความสุขขึ้นมาเราก็เรียกว่าดีการกระทําใดๆที่เกิดความทุกข์เราก็เรียกว่าไม่ดีไม่ได้เป็นสิ่งที่สมมุติเป็นเป็นเรื่องความจริง คำถามจากคุณขวัญชัยการมองหาสิ่งดีๆในสิ่งหรือสถานการณ์ที่เลวร้ายมุมหนึ่งอาจจะเป็นการช่วยบรรเทาให้ทุกข์เบาบางลงแต่อีกมุมหนึ่งจะเหมือนเป็นการหลอกตัวเองไม่ให้ทุกข์หรือเปล่าครับมันก็ถ้ามันทําให้ทุกข์ดับไปได้มันก็ไม่ได้เป็นของหลอกแต่ถ้าถ้ามันทําให้ทุกข์ไม่ดับหรือว่าดับแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่มันก็มันก็ยังเป็นของหลอกอยู่ มันก็มีวิธีการที่จริงกับไม่จริงอที่หลอกหรือไม่หลอกถ้าเป็นวิธีการที่ทําแล้วทําให้ทุกข์หายไปจริงๆแล้วไม่กลับมาอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จริงแตถ้าเป็นวิธีการที่หลอกทําให้ทุกข์หายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับมาใหม่ส่วนใหญ่พวกเรานี้จะอยู่กับวิธีหลอกกันทั้งนั้นวิธี ทำใจให้เรามีความสุขกันสุขเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวความทุกข์มันก็กลับเข้ามาใหม่ดังนั้นต้องคอยสังเกตดูว่าวิธีไหนทําแล้วมันทําให้อความทุกข์ไม่กลับมาอันนั้นอายังถือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องออถ้าทําแล้วยังมีวิยังยังกลับมาอีกก็ยังไม่ยังไม่ถูกต้องออ คำถามจากวิดิศยา3มคำถามค่ะข้อแรกพระอาจารย์เคยบอกว่านิพพานอยู่ภาคตายและอ่านประวัติคุณว่าอาจารย์บางท่านถึงกับสลบตอนปฏิบตัติคำถามคือเราจะต้องเจ็บปวดเวลาฝึกเพื่อรักิเลเททุกคนหรือไม่คะและอะไรคือกำลังใจระหว่างการปฏิบัติคะก็คือการปฏิบัตินี้มันก็เพื่อการปล่อยวางร่างกายแล้วร่างกายมันก็ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าเราปล่อยความเจ็บปล่อยความตายไม่ได้เราก็ปล่อยเราก็ปล่อยร่างกายไม่ได้เพราะฉนั้นเราต้องผ่านความเจ็บแล้วก็ปล่อยมันให้ได้ผ่านความตายแล้วปล่อยมันให้ได้เราถึงจะปล่อยร่างกายได้เ <sho> มื่อเราปล่อยร่างกายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายของร่างกายต่อไปความทุกข์มันไปอยู่ที่เราไปยึดติดกับร่างกาย แล้วก็ไปอยากให้มันไม่เจ็บไม่อยากให้มันตายนั่นเองพอมันเจ็บเราก็เลยทุกพอมันจะตายเราก็เลยทุกแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะทุกเราก็ต้องปล่อยร่างกายปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปแล้วใจพอปล่อยร่างกายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายๆๆ คำถามข้อที่2ที่ผ่านมาฝึกระลึกถึงความตายอยู่ทุกวันแต่พอถึงเวลาที่เห็นสุนัขป่วยใจก็ยังทุกข์เราระลึกถึงความตายน้อยไปหรือไม่คะและเราจะต้องฝึกอย่างไรให้ใจยอมรับกับความตายได้คะก็นอกจากการระลึกแล้วมันจะต้องมีการทำใจให้สงบด้วยถึงจะทำให้ใจไม่ทุกข์ได้ถ้าใจยังไม่สงบในเวลาเห็นความตายใจมันจะทุกข์ขึ้นมา ทุกครั้งไปงั้นนอกจากการสอนใจว่าความตายนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วแต่ถ้าใจยังไม่สงบนี้ใจมันยังต่อต้านอยู่ยังไม่ยอมรับความจริงอยู่มันยังอยากไม่ตายอยู่นั่นเองงั้นเราต้องมาฝึกทำใจให้สงบให้ได้เพราะถ้าใจสงบแล้วการต่อต้านความจริงมันก็จะหยุดลง แล้วพอมันเจอความตายมันก็จะเฉยได้มันจะไม่ทุกข์ได้คำถามข้อสุดท้ายพระโสดาบันท่านสามารถละความอยากให้ผู้อื่นไม่เจ็บไม่ตายด้วยหรือไม่คะถ้าไม่ใช่ต้องเป็นพระอริยะขั้นไหนคะท่านก็ละทั้งตัวท่านนะผู้อื่นเพราะร่างกายท่านจะเห็นว่าเหมือนกันร่างกายของท่านกับร่างกายของผู้อื่นก็เป็นร่างกายที่ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันถ้าท่านละ ร่างกายของท่านได้ท uh ่านกละร่างกายของผู้อื่นได้ท่านก็จะเห็นว่าความเจ็บความตายของผู้อื่นนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ไปอยากให้เขาไม่เจ็บไม่ตายก็จะทําให้ใจทุกข์ไปเปล่าๆเหมือนกับร่างกายของตนเองมันก็ต้องเจ็บต้องตายไปอยากให้มันไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทําให้ทุกข์เหมือนกันอย่างนั้นถ้าพระโสดาบันนี้ท่านละร่างกายของท่านได้แล้วท่านก็ละร่างกายของทุกคนได้ คำถามจากคุณหมีจิตกับสติคืออันเดียวกันไหมครับจิตตัวรู้นี่ก็ไม่เที่ยงเวลานอนหลับสนิทก็ไม่รู้ใช่ไหมครับจิตนี่เป็นตัวรู้ส่วนสตินี่เป็นตัวดึงจิตให้คอยรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่มีสติจิตมันก็จะรู้ไปสเปะ ส, ส, สปะกับเรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้ไม่อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แต่ถ้ามีสติสติก็จะบังคับให้จิตอยู่กับรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ จิตนี้มีสองแบบจิตที่ไม่เที่ยงนี้หมายถึงจิตคืออารมณ์ของจิตจิตที่เปลี่ยนไปกับอารมณ์เช่นจิตสดชื่นเบิกบานจิตเศร้าหมองจิตเครียดจิตสงบนี่ถ้าจิตแบบนี้เราเรียกว่าไม่เที่ยงเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆแต่จิตตัวที่รู้นี่มันไม่มันไม่เปลี่ยนแปลงมันรู้อยู่มันไม่มันมันเที่ยงมันไม่ดับมันไม่ตาย แต่มันเปลี่ยนไปกับอารมณ์ที่ยังมีอยู่ในจิตในใจเหมือนกับร่างกายเนี่ยที่เปลี่ยนไปกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่วันนี้สวมชุดทหารเดี๋ยวพวกนี้สวมสวมชุดตำรวจมันมาเลยสวมชุดพระมันก็เปลี่ยนไปตามเสื้อผ้าที่เราสวมใส่จิตก็เหมือนกันก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์บางวันก็สดชื่นเ บ, บิกบานบางวันก็เศร้าซ้อยหงอยหเหงา อันนี้เขาเรียกว่าจิตไม่เที่ยงในลักษณะไม่เที่ยงเพราะอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ตัวจิตนี้ไม่ได้ตายจิตนี้เที่ยงไม่มีวันตายไม่มีวันหาย คำถามจากคุณพระเอกช่วงหนึ่งเหมือนมีสติรู้เนื้อรู้ตัวช่วงหนึ่งสติกับหายไปสติก็ไม่เที่ยงหรือครับพระอาจารย์ก็เช่นนั้นแหะสติก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าฝึกอยู่เรื่อยๆก็สามารถที่จะทำให้มันอยู่ได้นานอยู่จนเกือบจะไปเรียกว่าสติเที่ยงเลยก็ได้ คำสามศักดิ์คุณนรินมีคนกลุ่มหนึ่งเตือนให้เราย้ายไปอยู่ภาคเหนือเพราะน้ําชะท่วมจังหวัดใกล้ทะเลอย่างนี้คนเชื่อดีไหมคะก็เรื่องของคุณเอ่ออย่างเชื่อก็เชื่ อ, เ, อ, เ, อเราก็ยังอยู่ใกล้เนี่ยเราอยู่ไม่กี่กิโลเนี่ยจากจากทะเลท่วมก็หาเตรียมหาที่สูงๆปีนขึ้นไปสิจะ <c oughs> ต้องไปหนีถึงเชียงมงเชียงใหม่ทำนะไมมันเสียเวลาไปอยู่คอนโดเนี่ย ชั้นหชั้นหขึ้นไปก็ปลอดภัยแล้วจากน้ำท่วมออถ้ากลัวน้าท่วมนะออคาถามสกุลเพลินพิสุแผ่เมตตาบ่อยดีไหมคะคาว่าแผ่เมตตาไม่ได้เป็นการสวดนะออนการสวดนี่ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการสวดการแผ่เมตตานี้ต้องเวลาที่เราทำอะไรกับผู้อื่นนั่นแหละถึงจะต้องแผ่เมตตา เจอครนี้ต้องแทนที่จะไปด่าเขาก็ต้องชมเขาอย่างนี้เป็นตน้นด่าเขานี้ไม่ได้แผ่เมตตาะ แ, แต่พอชมเขานี้เขาเกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาหรือให้อะไรเขาไม่ใช่ไปแย่งของจากเขาเขากําลังจะได้อะไรไปแย่งไปตัดหน้าเขาอย่างนี้อย่างนี้ไม่เรียกเป็นการแผ่เมตตาแผ่เมตตาแปลว่าการให้ความสุขแก่ผู้อื่นการลดความทุกข์ ของผู้อื่นบรรเทาความทุกข์ให้กับผู้อื่นนี่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาให้เราต้องแผ่ทุกเวลาที่เรามีการกระทํากับผู้อื่นแต่เวลาเราอยู่คนเดียวนี้ไม่มีผู้อื่นให้เรามาแผ่ด้วยแต่การสวด น, นี้มันเป็นการนลึกเตือนใจสอนใจไม่ให้ลื ม, มเรื่องของการแผ่เมตตาหรือเป็นอุบายของการฝึกสติเพื่อให้จิตไม่คิดฟุ้งซ่านเพื่อให้จิตสงบ อันนี้เป็นการการการสวดแผ่เมตตาฉั้นอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสงบต้องการสติเราก็ต้องสวดแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆจิตเราก็จะสงบได้จิตเราก็จะมีสติขึ้นมาได้เหมือนกับคําบริกรรมพุทธโธแทนที่จะใช้คําบริกรรมพุทธโธก็ใช้บทสวดแผ่เมตตาสเพสตาเวลาหหนตุไปแทน มันก็จะทำให้เราลดความคิดปรุงแต่งต่างๆลงได้แล้วก็ลดความเครียดความทุกจากการคิดเรื่องราวต่างๆลงได้อันนี้ก็คือประโยชน์ของการสวดบทแผ่เมตตาแต่ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาแผ่เมตตาต้องเป็นการกระทำต่อผู้อื่นคำถามจากคุณปริชาติระหว่างอภัยทานกับธรรมทานทานใดให้ผลมากกว่ากันเจ้าคะ อ๋อธรรมทานนี่เป็นธรรมที่เหนือกว่าทานทั้งปวงเพราะธรรมะนี่เป็นธรรมะที่จะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทานอย่างอื่นนี้ยังไม่สามารถหลุดได้หมดหลุดได้เป็นเรื่องๆอภัยทานก็หลุดจากเรื่องที่มีความทุกข์กับคนนั้นคนนี้ครพอเราให้อภัยเขาปับ๊บเราก็ไม่ไปทุกข์กับเขาแล้วแต่เรายังไปทุกข์กับเ ร, เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ต่อเรื่องอื่นได้ต่อ แต่ถ้ามีธรรมะแล้วเราจะหายจากความทุกข์จากทุกเรื่องอเพราะธรรมะจะสอนยสับเพให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เราไม่ยึดไม่ติดกับทุกสิ่งทุกอย่างคำถามจากคุณวริศถ้าคนเชื่อในเรื่องการเจริญสติบากบุญในชาติปัจจุบันแต่ไม่เชื่อนรกสวรรค์ความคิดนี้จะถือว่ามิจฉาทิฐิและพาไปสู่นรกไหมครับ เรื่องของนรกสวรรค์ถ้าเรายังไม่เห็นกับตาแล้วยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่เชื่อก็ไม่เสียหายตรงไหนแต่สิ่งที่เราต้องเชื่อก็คือการปฏิบัติเพื่อเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงหรือไม่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่เห็นถ้าให้เชื่อให้เชื่อสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติ คือให้เราภาวนาเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาถ้าเราเชื่อแล้ว เ, เราปฏิบัติตามได้เดี๋ยวเราก็จะเข้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่านรกสวรรค์นี้มีจริงหรือไม่ คำถามสกุณนรงชัยเมื่อทําสมาธิภาวนาไปเพื่อความสงบสําหรับญาณที่เป็นการะระเลึกชาติเกิดขึ้นได้เองหรือต้องอธิษฐานจิตก่อนครับจากการที่อ่านมาเห็นว่าทําให้เกิดความรู้และความเบื่อหน่ายไม่พบชาติได้ครับอ๋อมันเรื่องการละลึกชาตินี้มันเป็นผลที่อาจจะเกิดกับบางคนเท่านั้นไม่ได้เกิดกับผู้ปฏิบัติสมาธิทุกคน อันนี้ถือว่าเป็นวาสนาเป็นความสามารถพิเศษที่ติดมากับจิตดวงนั้นพอจิตดวงนั้นเข้าสู่ความสงบจิตก็จะสามารถที่จะระลึกชาติได้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีวาสนาจิตก็จะไม่สามารถระลึกชาติได้ซึ่งก็ไม่เป็นเรื่องสำคัญว่าจะต้องระลึกชาติได้ก่อนถึงจะเกิดความเบือ่อหนในการเวียนว่ายตายเกิด เพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่จำเป็นจะต้องรับเลืกชาติได้เพียงตตยให้เห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้แลวจะมีอยู่ต่อไปเรื่อยๆนี้ก็พอเพียงแล้วพอเพียงที่จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อ ก, การเวียนว่ายตายเกิดคำถามสกุลอิทธิเราต้องทำบุญอย่างไรถึงจะมีบริวารมากและบริวารดีขอรับก็ต้องแจกนะลดแรกแจกแถมนะ ไปที่ไหนที่มีรถลากจากถามนี่คนคนไปกันเยอะเลยออ uh huh. ถ้าที่ไหนเป็นที่มีแต่ความตันนี่ uh huh. มีแต่ความหวงนี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีใครไปหาเน้น uh huh. ถ้าอยากจะมีบริวารเยอะต้องทําทานเยอะ uh huh. เป็นพระเวชสันดอนพระเวชสันดอนนี่มีคนไปหาตลอดเวลา uh huh. คำถามจากคุณการณีมีคนบอกให้ลูกปล่อยวางหนูอยากทราบว่าหนูจะทำอย่างไรคำว่าปล่อยวางหนูไม่เข้าใจค่ะก็หนูลองเอาแก้วขึ้นมายกแก้วขึ้นมาเลยตอนที่หนูถือแก้วนี่หนูปล่อยหรือเปล่าหนูก็ยังจับแก้วอยู่แก้วร้อนหนูก็ต้องร้อนไปกับแก้วแก้วเย็นหนูก็ต้องเย็นไปกับแก้วแต่พอหนูเอาแก้ววางลงปั๊บแก้วจะร้อนหรือจะเย็นหนูก็ไม่ไปร้อนไปเย็นกับแก้วแล้ว เหมือนการสุขทุกข์ของเราก็อยู่กับการที่เราไปยึดไปติดกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไปจับเขาเหมือนก็ไปจับแก้วถ้าเขาสุขเราก็ไปสุขกับเขาถ้าเขาทุกข์เราก็ไปทุกข์กับเขาแต่ถ้าเราปล่อยวางไว้เราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาสุขก็เรื่องของเขาเขาทุกข์ก็เรื่องของเขาอนนี่คือความหมายของการปล่อยวางอ คำถามจากคุณขวัญตอนเดินจงกรมตลอดเวลาหนึ่งชั่วโมงเจ็บน้ำตาไหลตลอดก็ดูมันเจ็บเดินไปต่อไปจนครบเวลาพอระหว่างวันก็ฝึกสติไปไม่ได้เดินจงกรมอยู่นิ่งๆไม่ได้ทําอะไรก็เจ็บน้ำตาก็ไหลเหมือนตอนเดินจงกรมก็ดูมันเจ็บไปอยากทราบว่าทําถูกไหมคะก็ตราบใดที่ใจเราสงบใจเราไม่คิด ปรงแต่งก็ถูกต้องแต่ถ้ามันสงบจริงๆแล้วมันจะไม่น้ําตาไหลมันจะไม่เจ็บมันถึงแม้จะเจ็บมันก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายถ้าใจสงบแล้วใจจะเป็นอุเบกขาใจจะวางเฉยกับความเจ็บของร่างกายได้แต่ถ้ายังยังร้องไห้ยอยู่ยังทรมานอยู่ก็าอาจจะเป็นเพราะยังไม่ได้ผลยังไม่ถึงจุดที่จิต ที่ใจถึงจุดอุเบกขาคือวางเฉยได้ก็ต้องพยายามปฏิบัติไปช่วงปฏิบัตินี้มันก็จะต้องเจ็บเพราะยังไม่ได้ผลแต่ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปผลมันเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วความรู้สึกทุกข์กับความเจ็บมันก็จะน้อยลงไปหายไปได้ คำถามจากคุณยุทธภูมิมีข้อสังเกตใดบ้างครับที่บอกให้เรารู้ว่าการทำสมาธิของเราที่ปฏิบัติอยู่เรื่อยมามีการพัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมครับออก็ใจเราคิดน้อยลงใจเราอยู่กับอารมณ์ที่เรากาหนดไว้ได้มากขึ้นเช่นเรากาหนดพุทโธก็อยู่กับพุทโธได้นานขึ้นไม่ไม่ใช่พุทโธสองสามวินาทีแล้วก็หายไป แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อก็ต้องดูที่สตินี่ดูที่การจดจ่อของใจว่าจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดให้จดจ่อได้นานมากน้อยเพียงไรแล้วความคิดปุงแต่งลดน้อยลงไปมากน้อยเพียงไรแล้วความเบาอกเบาใจเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงไรเพราะถ้าใจจดจ่อใจไม่คิดปุงแต่งเรื่องความหนักอกหนักใจต่างๆมันก็จะลดน้อยถอยลงไป ความเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับคําถามจากคุณทาวินโลกมนุษย์และโลกวิ ญ, ญญาณแตกต่างกันอย่างไรครับโลกมนุษย์ก็คือโลกที่มีร่างกายนี้มนุษย์เรามีร่างกายส่วนโลกของวิญญาณก็คือโลกของจิตที่ไม่มีร่างกายแล้วเท่นต่อไปเราก็จะต้องไปอยู่ในโลกของวิญญาณตอนนี้เราอยู่โลกของมนุษย์เพราะเรามีร่างกายเป็นที่เกาะเป็น เราเป็นดวงวิญญาณมาเกาะร่างกายต่อไปพอร่างกายตายไปเราไม่มีร่างกายเกาะเราก็จะอยู่ในโลกของดวงวิญญาณไปตอนนี้เราอยู่ทั้งสองโลกถ้าเรามีร่างกายตอนที่ร่างกายตื่นเราก็อยู่โลกของมนุษย์เวลาร่างกายนอนหลับเราก็กลับไปสู่โลกของดวงวิญญาณเวลาเราฝันนี่เราเข้าอยู่ในโลกของดวงวิญญาณตอนนั้นร่างกายนอนหลับเหมือนคนตาย ใจของเรายัางอยู่ในโลกของดวงวิญญาณอยู่ยังฝันถึงเรื่องราวต่างๆคิดถึงเรื่องราวต่างๆอยู่โลกของดวงวิญญาณก็คือโลกของความฝันนี่พอร่างกายตายไปจิตก็จะอยู่ในโลกของดวงวิญญาณที่จะมีเรื่องราวที่เป็นเหมือนความฝันนี้มาให้จิตได้เสพได้สัมผัสไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ถึงจะกลับมาสู่โลกมนุษย์ได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง คำถามจากคุณพี่พบอยากขายของดีๆได้เงินมากๆเป็นความโลภไหมครับโลภแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นการไปทำผิดศีลผิดธรรมก็ไม่เสียหายอะไรถ้าเรายังเป็นผู้ที่ยังต้องใช้เงินทองเพื่อการอยู่รอดอยู่เราก็ต้องทำมาหากินหาเงินหาทองแต่โลภก็อย่าไปทำผิดศีลก็แล้วกันไม่บาป คำถามจากผู้ไม่เอ่ยนามแม่ของลูกไม่ค่อยได้ไปทําบุญลูกก็เลยสั่งวิทยุธรรมมัให้แม่เปิดฟังพ่อแม่ไม่ค่อยปล่อยวางอะไรเลยเจ้าค่ะลูกโทรหาแม่ทีไรแม่ก็บ่นว่าเครียดลูกจะได้อนิสงส์นี้หรือไม่เจ้าคะเพราะลูกไม่อยากให้แม่เครียดเจ้าค่ะถ้าแม่เครียดอยู่ก็ยังไม่ได้ประโยชน์ซื้อไปแล้วท่านอาจจะไม่เปิดฟังเมื่อไม่เปิดฟังก็เหมือนซื้อยามาให้กินแล้วไม่กินยาไม่กินยาโลก ความเครียดของใจมันก็ยังไม่หายเราก็ทำได้เท่าที่เราทำได้ส่วนในส่วนของเราเราหายาไมา้ท่านแล้วหาธรรมโอสถมาให้แล้วแต่ถ้าท่านไม่รับประทานยาก็ช่วยไม่ได้คําถามจากคุณบุตรการเจริญสติในชีวิตประจาวันอย่างเคร่งครัดจะช่วยในการละสักยอาทิได้อย่างไรครับ อ, อ๋อสติอย่างเดียวยังช่วยไม่ได้สติเป็นเพียงแต่ช่วยลดความคิดปรุงแต่ง เพื่อทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาเมื่อเราได้อุเบกขาแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องใช้สติบังคับให้ใจพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในร่างกายมีแต่อาการสามสิบสองทำมาจากดินน้ำลมไฟที่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย อันนี้จะทําให้เราละส ก, กยายทิฏฐิต่อไปได้คําถามจากคุณรุ่งการพิจารณาธรรมจําเป็นต้องมีความสงบจากสมาธิก่อนไหมเจ้าคะ่ะถ้าใจไม่สงบใจมันจะถูกกิเลสดึงไปคิดทางน่านกิเลสหมดเนี่ยจะไม่ยากให้มาคิดทางธรรมนะเพฉะนั้นต้องมีความสงบก่อนถึงจะสามารถดึงใจให้มาคิดทางธรรมได้ แต่การจะดึงใจมาคิดทางธรรมนี้ไม่ใช่ทำตอนที่ใจสงบตอนที่เรานั่งสมาธิทำใจให้สงบตอนนั้นไม่ต้องทำอะไรเราต้องการสร้างความสงบขึ้นมาก่อนพอเราสร้างความสงบแล้วเวลาที่ออกมาจากสมาธินี้ความสงบยังมีตกค้างอยู่ในใจตอนนั้นเราถึงจะใช้ใช้การพิจารณาทางธรรมได้ แต่ขณะที่เราสร้างความสงบอยู่อย่าไปอย่าไปคิดเพราะถ้าไปคิดแล้วมันจะทำลายความสงบที่เรากำลังสร้างอยู่เวลานั่งสมาธิเวลาจิตสงบนี้อย่าไปคิดพยายามรักษาให้มันสงบไปนานๆเพื่อที่เวลาออกมาจากสมาธิมันยังจะสงบต่อไปได้นานพอออกจากสมาธิมาแล้วพอมันจะเริ่มคิดไปทางกิเลกก็ดึงมาคิดไปทางธรรมต่อไป คำถามจาคุณจุรีพรรูปพรมกับอรูปพรมต่างกันตรงไหนคะการปฏิบัติทางจิตต่างกันตรงไหนคะคือความละเอียดความสุขของจิตต่างกันรูปประพรมก็ได้จากรูปประชานซึ่งเมื่อเปรียบกับอรูปประพรมรืออรูปประชานก็หยาบกว่าความสงบความละเอียดของรูปรูปประชานนี้หยาบกว่าความสงบกับความสุขของอรูปประชา เท่านั้นต่างกันตรงนั้นถ้าอยากจะพอได้รูปปัจจานแล้วอยากจะให้สงบกว่านั้นสุขกว่านั้นก็ต้องใช้สติเพ่งต่อไปเพ่งไปกับอารมณ์ที่จะทำให้เกิดรูปประชานขั้นต่างๆต่อไปถ้าไม่เพ่งก็จะได้แค่ขั้นรูปประชานคำถามหมดแล้วใช่ไหมโอเคก็พอสมควรกับเวลา